โมทนาบุญกับท่านคณะบดีาอาจารย์และก็เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมมหาวิทยาลัยรายชพัสสวนสุนันท h ก็รู้สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมในวันนี้พอนึกถึง อุตสาหากรรมเนี่ยพอรู้ว่าจะมาพูดที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมเนี่ยก็เลยนึกถึงที่เมื่อไม่นานเนี่ยไปพูดธรรมะที่กระทรวงอุตสาหากรรมพูดไปพูดมาไม่รู้คิดว่าไงว่าเออกระทรวงนี้ชื่อดีเนาะอุตสาหะแปลว่าความขยันมันเพียรแล้วก็กรรมขยันสร้างกรรม แล่เอน่าจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงอุตสาหากรรมกรรมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเรื่องของอ่าสิ่งที่ไม่ดีกรรมนี่เป็นคํากลางๆดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กรรมแปลว่าการกระทําถ้าเรากระทําดีก็ถือว่าได้เป็นกรรมดีก็เป็นกุศลจิตถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นกรรมที่ไม่ดี ก็เป็นบาปอากุศลจิตเป็นคำกลางๆเพราะฉะนั้นคาว่าอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันเป็นธรรมะเป็นฝ่ายกุศลเพียรที่จะสร้างกรรมดีเนเพียรที่จะสร้างกรรมในส่วนของกรรมดีก็กุศลกรรมที่ดีก็เหมือนกันนะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็คอยเป็นคณะ เทคโนโลยีก็อุตสาหกรรมที่เป็นดีไว้กรรมดีที่เป็นกุศลจิตก็เป็นสทิที่ทำให้เรามีความสุขตอนนี้เราถือว่าผู้ฟังแลวผู้พูดเนี่ยมาทำบุญร่วมกันการฟังทรรมนี่ก็เป็นบุญการแสดงธรรมะนี่ก็เป็นบุญเป็นบุญเท่ากันแหละ แ้แต่ก็ไม่แน่นะบางทีคนฟังนั่งหลับแล้วคนพูดตั้งใจพูดนี่คนพูดนี่จะได้บุญมากกว่านะระงให้ดีนะเราต้องแข่งบุญกันละอาจจะมีเสียงซาวแทร็กเป็นแบ็คกราวมันไม่เป็นไรหรอกมันจะได้ทำให้เราไม่หลับไม่ง่วงถ้าผมมาคนเดียวเนี่มีสิทธิ์หลับได้ เนี่ยมีเสียงแบกกล่าวเง้ยรู้สึกว่าดีนะช่วยทาให้เราได้ตื่นแล้วมันก็ท้าททยดิเสียงมันก็อยู่ข้างนอกนี่เราอยู่ในห้องไม่เกี่ยวกันเสียงมันดังที่ไหนอ่ะมันดังที่หูเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสนใจฟังตรงนี้ปั๊บเนี่ยเสียงตรงนี้จะมีจะมีกุศลจิตมากกว่าเสียงทางโน้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กุศลจิตละ เป็นเสียงของความหลงก็หลงตามสมมุติน่ะไม่เป็นไรเราเราก็ไม่ตาหนินะสมมุติก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็รู้ว่าเราขณะนี้ปัจจุบันนี้เราควรทาอะไรก็เลยวัดใจว่าใจเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หรือจะไปตรงนู้นคอสังเกตดูนะอันนี้เป็นวิปัสสนานะการดูจิตการดูจิตจะได้เห็นจุดอ่อนของจิต พิชิตงานที่กำลังทำในปัจจุบันนี่ว่าเราจะมีจุดอ่อนกับเสียงแบบอกุศลไหมเสียงที่เป็นความโลงไหมหรือเราจะมีจุดแข็งจุดพลังชีวิตจุดที่เป็นกุศลมาฟังเสียงที่เป็นบุญเนะี่ยดูสิจิตมันชอบทางไหนแต่ผมคิดว่ามันไปทางนู้นมากกว่ามันอาจจะไม่ได้ไปแบบชื่นชอบก็ได้นะเพราะว่าไปแบบตาหนิ โอ้เสียงดังไม่น่ามันดังรบกวนเลยก็มีนะอย่าคิดว่าความหลงทําให้เราชอบเสมอไปมันชอบแต่เมื่อใจเราชอบแบบไหนเพลงที่ไม่ชอบเนี่ยเปิดดังๆมันก็ลาคาลแต่เพลงที่ชอบเนี่ยดังๆก็ชอบเปิดค่อยๆเนี่ยมันก็ลำคาลต้องเร่งเสียงหน่อยใจเราจะเป็นอย่างนั้ น, นยอย่าคิดว่าส่วน ใจเราจะเป็นปกติบางทีมันก็ชอบดีก็ไม่ชอบไม่เป็นไร <c oughs> ก็เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราจุดอ่อนของใจมันก็ไปตามอยากที่มันจะไปแต่เราก็รู้ทันซะใครสามารถรู้ทันจิตว่าอ๋อจิตอยู่ตรงนี้มากหรือจะไปตรงนู้นมากเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ได้เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วเป็นวิปัสนาแล้ว <c oughs> ดูจิตดูจิตเป็นบุญร่วมกันเรามาทาบุญร่วมกันบุญเนี่ย มันตรงข้ามกับบาปนะนั่นเราพูดคาว่าบุญดิบุญพูดคาว่าบาปดิมันแตกต่างออกันตรงไหนนะปากเนี่ยบุญปากจูจๆบาปปากแบะๆ <c oughs> ก็ไปอย่างนั้นแหละปากจู๋ๆน่าจะดูดีกว่าถ้าปากแบบดูไม่ค่อยดีละบุญตรงข้ามกับบาปบุญ เป็นชื่อของความสุขความสุขความดีความมีปิติความสบายใจจิตที่คิดทำบุญเนี่ยเป็นจิตที่ดีแล้วก็มีความสุขแต่จิตที่คิดทำบาปเนี่ยเป็นไงเศร้าหมองเลยเห็นไหมชื่อว่าเราจยากจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งใจเราสบายแล้ว อ่ะเป็นกะุศลละนะเป็นบุญละถ้าเราบอกว่านึกจะสาบแช่งเขาขอแห้แมัล้มหายใจจากไปไปไวให้มันล้มหายใจจากไปไปไวจิตมันก็เป็นบาปมันก็ซ่อมหมองตรงไหนมันจะมีความสุขกักนจิตที่เป็นบุญมันมีความสุขบาปอันนี้พิสูจน์ได้ตัวเราเองเลยอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อแม้กระทั่งผมกำลังพูดอยู่แล้วรู้ใจเราเป็นยังงั้น จ, จริงไหม <c oughs> ถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงคือสิ่งที่ใจเรากำลังปรากฏขึ้นตะางหาคนมีบุญคนมีความสุขเราต้องต้องสะสมบุญไปมากๆเราอาจจะมีวิธีการทำบุญได้หลายวิธีตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมีต้องยกตัวอย่างสักสิวิธีการให้ทานแบ่งปัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญดีไหมเราให้เราสบายใจใช่ไหมแต่ตั้งให้แล้วเาขายังไม่ยอมรับเราก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะเพราะอยากให้อะไรของใครแล้วเาขาอยากาไปไวๆ <c oughs> ถ้าาไปช้าจะเปลี่ยนใจบุญมีเดี๋ยว <c oughs> เดียวเดี๋ยวกิเลสก็มันก็หวงนะตันติสบายใจบุญเกิดจากการแบ่งปันคือการให้ทานนั่นแหละ อันที่สองบุญเกิดจากการรักษาศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลส2 7อยยิบเจ็ดคืออยู่กับว่าเราจะรักษาศีลได้กี่ข้อบางคนห้าข้อได้ตั้งสี่ข้อบางคนได้ตั้งห้าข้อบางคนได้ข้อเดียวบางคนไม่ได้สักข้อ ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยรรษาเนี่ยเข้าราษาเราเริ่มต้นเลยเอาสักห้าข้อเนี่ยสีห้าเนี่ยนะสีลห้าเนี่ยเป็นสินของความเป็นมนุษย์นะถ้าเราไม่มีสีลห้าเนี่ยเรากับแมวนี่ไม่ต่างกันเลยนะศีลห้าเป็นสินที่แบ่งระหว่างว่ามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมันต่างกันตรงตร ง, ตรงมีศีล อันนี้เป็นบุญลองทําดูสิทำแล้วจะเกิดความภูมิใจแล้วสติมันเกิดสติเกิดบ่อยเมื่อเรามีศีลเพราะว่าผู้ที่ระวังผิดศีลกลัวผิดศีล น, นั่นคืออะไรก็คือตัวสติโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเลยถ้าอยากมีสติมากๆ ก, ก็รักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้มันเป็นธรรมชาติอันที่สมบุญเกิดจากการภาวนา ภาวนานี่ก็คือทำจิตให้มันเจริญสมถะมีสองอย่างคือสมถะภาวนาคือทำจิตให้สงบมีความสุขอันที่สองคือวิปั ส, สนาภาวนาทำจิตให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งความจริงของกายและจิตและของโลกนี้อันนั้นคือบุญเกิดจากการภาวนาเคยลองทำไหมภาวนา ทำความสงบก็ได้สมาธิก็ได้หรือทำพิพัธสนาก็ได้อนาบภาพนาเป็นบุญขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนาอันที่สมบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนประพฤตินตนอ่อนออ น, นะออน้อมถ่อมตนดีนะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นการลดละตัวตนของตนลงบ้าง อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนมีสเสน่ห์คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอันนั้นก็เป็นบุญนะอันนี้ห้าบุญเกิดจากการขวนขวายรับใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่ขวนขวายจะส่งยาบ้ารับใช้ส่งยาไอ้มันก็เป็นอกุศล น, นะเป็นบุญ ไ, ไม่ได้ ได้เงินแต่ว่ามันได้บาปแถมไปด้วยอันนี้หบุญเกิดจากการใครรู้ไหม <c oughs> บุญเกิดจากการเฉลี่ยส่วนที่เป็นความสุขของเราเฉลี่ยส่วนที่เป็นความสุขคือเฉลี่ยบุญเวลาเราไปทำความดีมาทำบุญมาเราก็เจอเพื่อเราเอา้าเอาบุญมาแผ่ เอาบุญมาแผ่เนี่ยเมื่อกี้ออกมาจากชมรมเนี่ยอยู่ชมรมคนในชมรมก็บอกอาจารย์ไปแล้วเหรออ้ยเดี๋ยวจะไปเอาบุญมาแผ่ข้างล่างสาธุเลย <laughs> ยังไม่ทันไปรับบุญเลยแต่เราบอกเราจะแผ่ส่วนบุญได้ยังไม่ทํามารับบุญจากที่นี่เลย <laughs> เอาบุญมาแผ่บุญมาแผ่เห็นไมถ้าเกับเราให้ส่วนบุญส่วนที่ดีทําเราคนอื่นเนี่ยเราก็มีความสุ <laughs> ขอนะอันที่เจ็ดเจ็ดใช่ไหม แต่คือยินดียินดีกับคนที่เขาทำความดีหรือคนที่เขาทำบุญ<ม>เขาจะบอกว่าอนุโมทนาอนุโมทนาแปล ว, ว่าแสดงความยินดีกับคนคนนั้นอนุโมทนาเพ า, าดีแล้วดีแล้วแสดงความยินดีพอเราเอาบุญมาแพ้เฉลี่ยส่วนบุญเ็าก็อนุโมทนาก็ได้บุญร่วมกัน <c oughs> ได้บุญร่วมกัน ต่อไปบุญเกิดจากการฟังธรรมบุญเกิดจากการแสดงธรรมแล้วบุญเกิดจากการอันนี้ข้อสุดท้ายบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ถูกตรงทำยังไงให้ถูกตรงให้ตรงกับความจรงิงทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยเอกค่นี้บางคนก็คานเอ๊ะทำดีแล้วบางทีมันไม่ได้ดีก็ได้มันได้ทำดี ได้ดีแต่เมื่อเราเราคิดแล้วว่าดีมันก็ดีนะพอเริ่มจะทำมันก็ดีนะมันดีอยู่ในตัวกระทามันดีอยู่แล้วในตัวกระทาไม่ต้องได้ดีคือได้เงินได้เสียงสรรเสริญเยี่ยนยะ่อทำดีมันก็ดีอยู่แล้วในตัวทำชั่วก็ชันะ่วอยู่แล้วในตัวกระทำเรามักจะไปรอผลว่าเอ๊ะทาดีไม่ได้ดีเราไปมองว่าทำไมไม่ได้เงินทาไมไม่มีใครมาชมชอบเรา อันนั้นมันเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่เราได้ทำสิ่งที่ดีก็แล้วกันเราเลือกเอาเลยว่าสิบข้อเนี่ยเราถนัดข้อไหนหรือถนัดทั้งหมดก็ยิ่งดีนะนได้บุญล้นหลามเลยนะจริงมันมีมากกว่านี้แต่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้มาอยู่ใกล้ตัวเราชีวิตเราเนี่ย มันต้องมีบุญคอยเสริมนะท่านะเกิดจนตายนะต้องเสริมนะเกิดจนตายเกิดมาก็ต้องมีบุญถึงได้มาเกิดและอยู่ถ้าไม่มีบุญหล่อเลี้ยงเนี่ยมันก็อยู่แบบเป็นทุกข์หรือตายถ้าตายแบบมีบุญพาส่งเนี่ยมันก็ไปสู่สุคติถ้าเกิดจนตายเราทิ้งบุญไม่ได้บุญเป็นที่พึ่งของเราบุญทําให้เกิดความสุขถ้าคนที่ไม่มีไม่มีความสุข คือคนที่หมดบุญเนี่ยคนมีความสุขคือคนที่มีบุญนะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วมั้งมันมีข่าวออกมาหนุ่มสาวแต่งงานกันโอ้เขามีความสุขนะแต่งงานเนี่ยแล้วก็ไปฮันนีมูนที่ต่างประเทศมันก็มีความสุขนะได้ไปฮันนีมูนนะโอ้แต่งงานได้สิบวัน ความสุขหายไปแล้วบุญหมดไปแล้วถูกฟ้าผ่าหมดบุญเลยตายทันทีเลยใช่มมีความสุขอยู่ดีๆเนี่ยนะคือมีบุญพะหมดบุญแล้วก็ต้องตายหมดบุญแล้วก็ชีวิตจะเศร้าหมองเขาบอกว่าคนที่มีบุญเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะบุญช่วยอยู่เสมอเลยบางคนมันน่าตายแต่มันไม่ตาย กับรอดมาได้ไดเห็นไหบุญช่วยบุญช่วยบางคนตายเพราะหมดบุญเยอะแยะไปนั้นเราต้องสร้างบุญเขาไว้พยายามสร้างบุญทำความดีเข้าไว้ความดีทั้งหมดเนี่ยไปเรื่องของบุญทั้งนั้นไม่เสียหลายบางทีไม่ต้องลงทุนเลยนะแค่น้อมใจว่าเออคนทำดีมันก็ได้ดีคนทาชั่วก็ได้ชัว่ว คิดแค่นี้มก็เป็นบุญแหละเห็นใครเขาโชคดีก็อ๋อเอาละอนุมโมทนาแสดงความดีด้วยเราก็ได้บุญแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยอย่างผมเนี่ยนอนอนุอมโมทนาเขาเรื่อยๆอนุโมทนาเนาะค <c ười> อยมีความสุขเนาะเนี่ยแบ่งความสุขกับเขาคอยมีความสุขเนาะเราก็พลอยสบายใจแล้วก็มีความสุขด้วยก็มีบุญสะสมะไม่ด้เรื่อยตั้งแต่เกิดจนตาย ชีวิตเราเนี่ยพูดเรื่องชีวิตหน่อยนึ่งนะชีวิตเนี่ยมันคืออะไรเราเกิดมาทําไมเห็นเป้าหมายเราได้ยังชีวิตคืออะไรเราเกิดมาทําไมเรามีอายุจนป่านเนี้ยรู้ไหมชีวิตคืออะไรมันมีคำตอบได้หลายแง่มุ ม, มอบางคนบอกชีวิตคือการต่อสู้ไอ้ฐานจัตรูคือยากําลังโอ้ตั้งเกิดจนตายสู้ต่อพืชต่พืชแล้วการสู้มันมีแพ้มีชนะ ถ้าชนะก็ต้องรักษาแชมป์ถ้าแพ้ก็ทนไม่ได้มันก็นอนไม่หลับทางนั้นนะถ้าการต่อสู้แล้วเหนื่อยมากชีวิตคือการเรียนรู้อันนี้ก็ถูกต้องแต่วันนี้จะเสนอสักแง่มุมหนึ่งคือชีวิตคือการเดินทางอันนี้ใกล้ตัวเราหน่อยทุกวันนี้เราก็เดินทางชีวิตกันทุกวันนะชีวิตคือการเดินทางเดินทางไปไหนอะ ไม่ใช่เดินทางไปสู่ความตายไม่ใช่เดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ทําไมจึงจบท้ายด้วยความพ้นทุกข์อันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่เสียชาติเกิดเพราะเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยคิดดูทุละทางที่เราต้องเดินไปเนี่ยมันทุรักันดานมากทางชีวิตเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมเหน็ดเหนื่อย มันทําให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนเราแบกของหนักในระหว่างเดินทางเอาแค่ตื่นเช้ามาเถอะตื่นเช้าขึ้มาเนี่ยเราเรานอนนิ่งๆได้ไหมเนี่ยพอตื่นปั๊บเนี่ยมันนอนนิ่งไม่ได้นะอย่างน้อยต้องรู้ว่เาเราต้องรีบหายใจเราต้องรีบเคลื่อนไหวบางทีเราเราลืมไปว่าเรานอนอยู่เฉยๆแล้วแบบเรานอนเฉยๆไม่เฉยหรอกตื่นมาแล้วก็บีขี้เกล็ดทําไมต้องบีกี้เกียด ไม่ใช่เพราะมันขี้เกียจนะเพราะร่างกายมันต้องการการเคลื่อนไหวต้องการเหยียดมันเมื่อยนอนอนานามันเมื่อยต้องเหยียดเนื้อเหยียดตัวต้องพลิกตัวไปพลิกตัวมาบางคนทำไม่ได้ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาต้องอาบน้ําแปลงปั่นนะั่นแหละคือแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยแก้ปัญหาทุกในตัวเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวก็ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาเดี๋ยวหิวอีกแล้วต้องแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยนะ หิวไม่กินก็ไม่ได้ก็ต้องกินอันนั้นคือความทุกข์เรียต้องเดินทางตลอดเวลาบางคนทำใจไม่ได้ก็ทุกข์มากบางคนทำใจได้เข้าใจชีวิตก็โอธรรมดาชีวิตเเป็นอย่างนี้แหละเริ่มเข้าใจเรื่องชีวิตแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปแก่และ <c oughs> แก่ทุ ก, <c oughs> กข์ไหมแล้ก็จะแค่ได้ป่วยละเดี๋ยวเราก็ตายละเดี๋ยวพลาดพลาดกันละ หลายอย่างมันเกิดขึ้นตัวเราเนี่ยคือทางชีวิตซึ่งเป็นทางที่ทุรา ก, กันดาลมากเป็นทางของความทุกข์ทั้งนั้นเลยการเดินทางของเราเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเดินทางแบบไม่ทุกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการสั่งสมบุญจดีน้อยมีศีลแล้วก็มีการภาวนาเป็นการต่อ ย, ยอดอันนี้จะไม่มีทางทุกข์เลยกระทั่งเกิดจนตายไม่ทุกข์เลยแล้วแถมมีประโยชน์คนอื่นด้วย แลวสิ่งที่เรารเรียกไม่ได้คือการทำงานอันนี้เขาเรียนเรื่องการทำงานการทำงานงานคือเครื่องดำเนินชีวิตงานเป็นสิ่งดำเนินชีวิตเครื่องช่วยในการดำเนินชีวิตทุกคนต้องมีงานทำผมก็มีงานของผมทำพระก็มีงานอย่างพระทุกคนต้องมีงานทำนะกัน แต่เราคิดว่าเราจะทำงานอย่างไรให้มีความสุขเออตรงนี้สำคัญมากจะทำงานอย่างไรให้มีความสุขทำอย่างไรดีเราก็ต้องทำงานไปแล้วก็ทำบุญไปทํ <c oughs> ทำบุญเพรา ะ, ะการทำงานเราทำได้ในที่ทำงานเนี่ยทำบุญเพรา ะ, ะการทำงานถ้ามีบุญเนี่ยถ้าเราทำบุญมากๆโดยการที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะนะ โดยการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีงานมันไม่สําเร็จนะแต่บุญมันช่วยทําให้ใจไม่ทุกข์พยายามที่จะหาทางแก้ไขให้งานมันทําได้ดีขึ้นบางทีงานมันล้มเหลวนะแต่ใจของคนนั้นไม่ล้มเหลวนะงานมีการล้มเหลวได้ใช่ไหมงานบางอย่างเนี่ยมันเท่าไหร่มันก็เอาชนะไม่ได้ปัญหาจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งภายนอก แต่ใจมันไม่ทุกข์กับปัญหาเรานั้นก็ได้แล้วก็แก้ปัญหาได้นั้นบุญช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์งานช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อาศัยปัจจัยสี่จากงานจะแนะนำเรื่องการทำงานไปแล้วก็ทานบุญไปเนี่ยอยู่สักเอาสักเอาสักบุญนึงบุญเกิดจากการภาวนาตัวเนี้ยเราสามารถเอามาใช้กับการทำงานได้เลย ภาวนาอย่างไรในขณะทํางานไม่ได้หลับตาไม่ต้องทําอะไรไม่ทําอะไรผิดปกติเลยก็ทํางานไปตามปกติเราทําอะไรอยู่นะปัจจุบันนี้งานอะไรทําอยู่เราก็ทํางานตรงงานด้วยความตั้งใจคําว่าตั้งใจเนี่ยมันก็คือตั้งสติแล้วเริ่มมีสติแล้วนะสติเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นขนาดไหนเนี่ยมันเป็นบุญทั้งนั้นนะสติเป็นสิ่งที่เป็นบุญตลอดเวลา สติคือความรู้ตัวรู้ผิดชอบชั่วดีเรามีสติอยู่บางคนบอกว่ากำลังเปิดตู้เซฟอย่างมีสติขโมยของอย่างมีสติดื่มเหล้าอย่างมีสติหาภาพโป้มาดูอย่างมีสติถ้ามีสติเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะอันนั้นมันคือความหลงแต่หลงว่ามีสติ สติจะรู้ว่าอ๋อผิดชอบชั่วดีสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ทําสติเป็นฝ่ายที่เป็นบุญเสมอมิช้าสติไม่มี <c oughs> มิแต่สติที่เป็นกุศลตลอดเวลาอันเดียวเราถ้าเราทํางานด้วยความตั้งใจเนี่ยคือเราทํางานด้วยสติแล้วณนะขณะนั้นถ้าเราทํางานด้วยความเคยชินทํา ขาดความตั้งใจงานนั้นก็ไม่ได้ผมไม่มีผลอะไรการตั้งใจนั้นตั้งใจทำนั้นมันเป็นกรรมนะเป็นกรรมที่มีผลด้วยกุศ ล, ลกรรมเราตั้งใจสร้างสติตั้งใจทำงานเนี่ยมันเป็นกุศลในขณะทำงานเรียบร้อยแล้วและมันมีผลนะอย่างาน้อยขณะทางานด้วยความตั้งใจเนี่ยเราก็มีความสุขรู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นเวลานั้น ถ้าทำด้วยความเคยชินเออถึงเวลาก็ะทำทำไปงั้นอ่ะเราจะไม่มีความภูมิใจเลยมองหาคุณค่าตัวเองไม่มีเลยนะแต่เราตั้งใจตามปั๊บแม้เงินจะยากเงินจะน้อยมันจะลําบากเราก็มีความสุขก็เราได้ตั้งใจทําจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จนั้นเป็นเรื่องที่หลังเป็นผลพลอยได้แต่ตอนนี้สําเร็จแล้วในความตั้งใจเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วตั้งใจทํางานณนะเวลานั้น เอาแดนงานกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวในงานนั้นแล้วก็มีจิตเข้าไปตั้งอยู่บนนั้นด้วยสติเอาจิตเข้าไปตั้งขณะทางานมันก็เป็นตัวสติปฐานกายานุปัสนาศีปฐานคือเอาฐานกายที่มากำลังทำงานเนี่ยเป็นฐานให้สติเข้าไปตั้งรู้ตรงนั้นเมื่อจิตมันเผลอไปหลงไปก็ไม่เป็นไร แล้วก็ตั้งใหม่ทําใหม่มันทําใหม่ได้มันหลงได้เผลอได้ไม่เป็นไรเผลอไปแล้วก็ทําใหม่เผลอไปมันก็ทําใหม่จิตมันหลงไปคิดไปปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆไม่เป็นไรเราก็มาเริ่มตั้งทํางานตรงนั้นใหม่อันนั้นคือเป็นงานปัจจุบันที่เราต้องทําเป็นแดนงานของเราที่ต้องทําแค่นี้ยเราก็เป็นการภาวนาในขณ ะ, ะทำงานเรียบร้อยแล้ว น, นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สนใจกับความคิดหรือจิตใจนะแต่เรื่องของกายเนี่ยเสด็จเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตมันหลงเผลอไปคิดแรงต่างอารมณ์ต่างๆอดีตอนาคตแล้วก็ตั้งใหม่เริ่มต้นใหม่นี่แหละคือความเพียรใช่ไหมความเพียร น, นี่เป็นกุศลไหมเพียรที่จะตั้งใจทํางานเป็นกุศลไหมนั่นก็ได้กุศลอีกแล้วกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นอีกแล้วทำลหลายครั้งบ่อยๆเข้าทุกวั น, ท, วนทุกวันเข้าเนี่ย เดีไอ้ความคิดที่มันหลงลืมสติเนี่ยมันค่อยค่หมดลงไปมันจะชินจากการมีสติมีสติเขาเรียกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้จากหลงไปคิดอ่ามาตั้งต้นรู้ใหม่จากหลงไปคิดมาตั้งต้นรู้ใหม่ถ้าบม่อยั เ, อเข้าเนี่ยจิตมันเคยทินที่จะรู้มันจะเคยทินที่จะรู้แล้วต่อไปเนี่ยไอ้ความหลงแม่งต่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปเองใช่ ไ, ไหมเนี่ยเอาน้ําใส ไปไล่น้ำขุนนะฮะสติขยันตั้งรู้เนี่ยเขาเรียกเป็นน้ำใสน้ำคุนคือจิตที่มันหลงไปคิดไปปรุงแตง่งจิตจะมีกำลังเขาเรียกมีพลังจิตมันจะจับจุดอ่อนของจิตได้นั้นจิตต้องมีพลังก่อน <c oughs> ถ้าจิตไม่มีพลังเนี่ยเอาคนที่ไม่แข็งแรงไปไปจับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องมีพลังต่อไปเนี่ยพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆเขาเนะตั้งใจทางานบ่อยๆนะ มันจะมีความคิดที่มันแอบแฝงอยู่เราก็จะเห็นมันได้เห็นอันนี้เป็นเป็นวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือการดูจิตเห็นจิตที่มันคิดได้ฝึกบ่อยๆจิตจะมีกำลังแล้จะเห็นไอ้ความคิดที่มันปรุงแต่งมากมายซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจคิดหลวงพ่อคําคำเขียนเรียกว่าลักคิดลักคิดขโมยคิดมีไหม รู้จักไ้ยไอความที่เราคิดโดยที่ไม่ตั้งใจคิดเนี่ยเคยจับได้ ไ, ไหมเห็น ไ, ไหสังเกตตอนจะนอนเนี่ยเราก็อยากจะนอนแต่มันก็คิดขึ้นมาเราก็จะนอนแต่มันก็จะคิดไอเราก็จะนอนใจมันก็จะคิดอันนี้คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดไอตัวนี้เรามันนำเอาบาปเอากุศลมาสู่จิตใจเราตรงนั้นเลยอันนี้คือจุดอ่อนของจิตคือหลงไปกับความคิด ที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดถ้าเราตั้งใจคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดได้สติใช่หไหมเราเคยคิดวางแผนงานไหมราวางแผนเราตั้งใจคิดแล้วนะอันนั้นเป็นส่วนที่ดีเป็นส่วนในการทำงานของเราเน่ไอ้ความตั้งใจคิดเนี่ยมันจะสาเร็จแล้วในความตั้งใจที่จะวางแผนงานได้อย่างสมบูรณ์แต่ไอ้ความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ย มันมากับความโลภความโกรธความหลงตัางนั้นอ่ะเคยสังเกตุไหมเราไม่อยากจะคิดแต่มันคิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมแล้วเราก็เชื่อทุกเลยนะไอ้เชื่อความคิดที่มันลักคิดเอเราไปเชื่อมันซะด้วยแล้วเราก็เลยเป็นทุกเวลาเป็นทุกปั๊บเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบเราไอ้ความคิดไม่เคยรับผิดชอบเราเลยเราต้องไปทุกเราเองเราจะเห็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอย่างคนทํางานเนี่ย เห็นบ่อยก็คือคือความคิดคือมีสองฝ่ายฝ่ายลบกับฝ่ายบวกที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยฝ่ายลบกับฝ่ายบวกฝ่ายลบก็คือความขี้เกียจความเบื่อความเซ็งความอยากให้งานเสร็จไวๆเนี่ยอยากได้มากแต่ทําน้อยๆไม่พอใจเพื่อร่วมงานอิจฉาคนโน้นอิจฉาคน น, น, ค น, นี้เกิดความลิษยาซึ่งเราไม่คิดไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น แต่ความคิดแบบ น, นี้เป็นกิเลสที่มันโชว์มาบ่อยๆอิจาริษยาเนี่ยไม่อยากเห็นใครดีกว่าเราเนี่ยทนอยู่ไม่ได้ต้องหาทางกันแกล้งหรือไม่พอใจกัน ไ, ได้เคยเจอแบบนี้ไหมในความคิดเรามีไหม <c oughs> ที่เราก็ไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าเราเราต้องดีเข้าเนื้อเขาอันนี้เป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ว่ากิเลสมันโชว์ขึ้นมาให้เรารู้แต่เราก็เชื่อนะ คิดว่าอันนั้นเป็นความคิดของเราแล้วเราก็เป็นทุกเราเราอย่าไปเชื่อมันสิให้เราเห็นมันซะอ๋ออันนี้คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดคนทุกคนเนี่ยไม่อยากคิดในทางอากุศลหรอกใช่ไหมแต่ทำไมมันจึงคิดบ่อยอ่ะแล้วเราก็หลงว่ามันเป็นเราคิดอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราอยากจะเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเป็นฮีโร่เป็นอะไรต่างๆเราคิดแบบนี้ต่างหาก แต่ส่ว น, นความคิดที่เป็นไฟต่ำนั้นมันมาแลวเราก็เชื่อมัน <c oughs> ความอิจฉาิี่ยาหึงหวงความหวาดระแวงความน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เราก็เชื่อมันตอนนี้เราอย่าไปเชื่อนะเราดูอ๋อนี่มาอีกแล้วไอ้ความคิดมาอีกแล้วไอ้แขกหน้าเก่าๆนี่มาอีกแล้วเราก็รู้ทันเรารู้ทันในแขกหน้าดาๆคนนี้เดี๋ยวมันก็หายไป นี่เราไปเชื่อมันนะไปทอดสะพานให้มันตายเข้ามาสู่ใจเราเราต้องมีสติตัดสะพานชักสะพานออกอันนั้นคือความคิดอันนี้คือความรู้มันแยกกัไปเลยเห็นไหมเห็นอารมณ์เห็นความคิดจิตมันเห็นได้อันนี้คือฝ่ายลบไอ้ส่วนฝ่ายบวกก็มีนะไอ้ตัวที่ไม่ตั้งใจคิดเป็นฝ่ายบวกก็มีนะเห็นไหมพวกอะไรพวกติดดีทั้งหลายอะ่ะเราต้องทำให้มันดี ทำให้มันเด่นต้องทำให้เสร็จไวๆเพรติดดีติดดีก็เป็นทุกข์นะเพราะกลัวตัวเราจะไม่ดีทุกข์มากเลยนะเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะติดดีเนี่ยมันมีนะเราก็อยากเป็นคนดีติดดีอยากเป็นคนดีอยากทำความดีความอยากนกะาหาใจเป็นทุกข์ต้งนั้นอะ่ะเราก็รู้ทันสิบก่กโอ้โหนี่มันมันติดดีนี่เนี่ยรู้ทันในฝ่ายบวกซะโอ้ติดดี ติดดีก็เป็นทุกข์นะแล้วตองไปอยู่เหนือดีออ ด, ดีแล้วก็ทาแต่เราก็ไม่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางทําความดีแต่ไม่ยึดติดทําความดีเพื่อความดีไม่ทําความดีเพื่อให้เราดีถ้าเพื่อให้เราดีเนี่ยมันจะมีตัวตนที่เป็นเราแล้วถ้าอยากให้เราดีเนี่ยใครดีเหนือเราก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วเราดีไม่ถึงที่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์อีก ทำความดีเพื่อความดีอย่าทําความดีเพื่อให้เราดีถ้ามีเราดีเล้วมันเป็นเรื่องมีเราอยู่ในสิ่งนหนจริงนั้นเป็นเรื่องเลยเพราะเราจะต้องเด่นต้องเหนือใครมาเป็นคู่แข่งกับเราก็ไม่ยอมอีกอเพราะความแข่งดีติดดีพวนี้แหละต้องรู้ทันไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปห้ามแค่รู้ทันไปรู้ทันรู้ทันแล้วทาไง ก็ปล่อยมันผ่านไปจิตที่รู้ทันนะคือจิตที่เป็นกุศลนะจิตกุศลถ้ารู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราปับ๊บก็ถือว่านั่นแหละคือจุดอ่อนของจิตไอเนี้ยไอหน้าเนี่ยคือจุดอ่อนของทาให้จิตเราเกิดจุดอ่อนถ้าไม่มีตัวนี้ปั๊บจิตเราก็สบายก็เป็นกุศลเคยเห็นไหมความคิดที่ไม่ดีนั่นแหละของเราเคยบางทีเราก็เกลียดนะรังเกียจเหมือนกันนะ โอคิดมาได้ยงไงนี้ความคิดเราแท้แท้ไม่ใช่ความคิดเราความคิด เ, เรื่อ ง, องความคิดเป็นอาการของจิตมันย่อมคิดได้ทั้งนั้นแต่เรื่องเราคืออะไรรู้ทันมันซะโอ้นี่หน้าแบบนี้รู้ทันมันก็นั่นเองแค่รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นมันก็เรียกเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นมันเป็นผู้ดูมันอย่าเข้าไปเป็นมันเป็นผู้ดูละครอย่าเข้าไปเล่นละคร อันนี้มันละครจิตนะโดยมีกิเลสเป็นผู้กำกับกิเลสกำกับกำกับละครจิตแต่เราเป็นผู้ดูอ๋อมันกำกับอย่างนั้นก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเนี่อิสระเลยไนะอันนี้คือจิตที่เป็นกุศลคือรู้แจ้งรู้แจ้งอ๋อนี่มันคือละครจิตมันแสดงได้หลายรูปแบบ เดี๋ยวมันสนุกเดี๋ยวมันก็เศร้าเดี <c oughs> ๋ยวมันก็อิจฉาโอ้เรื่องของละครจิตทต่งั้นเลยแค่เราเห็นปั๊บเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกเราจับผิดจิตได้เห็น <c oughs> จุดอ่อ น, น <c oughs> เห็นปั๊บมันดับเลยมันดับเลยนะถ้าจิตที่คมชัดด้วยการจริสติบ่อยๆเนี่ยฝึกติบ่อยๆเนี่ยมันขจัดความคิดแบบ น, นั้นโดยที่แค่เห็นมันก็ดับไปแล้วก็เลยเห็นเกิดดับ เครเห็นเกิดดับไหมเห็นเกิดดับในปริัสนาญานนะไม่ใช่ธรรมดานะนั่นเราถ้าเราอ ย, อยู่ในขณะแดนงานเนี่ยเราตั้งใจทางานอยู่เสมอเสมอตั้งใจทำงา น, เ, เ, งงานเราจะเห็นจิตที่มันลักคิดขึ้นมาเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เราไม่ได้คิดแบบนี้หรอกเราจะคิดแบบนี้อันนี้ก็คิดได้ด้วยสติเราคิดแบบมีระเบียบมีระบบคิดอย่างมีสติ คิดอยมีสตินี่คิดวางแผนงานคิดแก้ปัญหาแล้วก็มังจะสําเร็จเลยนะวางแผนสาเร็จแต่พอวางแผนป้าจะมีบางอย่างที่ที่มันแอบคิดว่ามันคงไม่ดีนะมันคงจะไม่มีเห็นด้วยนั่นคือคิดเอานั่นคือความคิดเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่หน้าที่ของเราเราคือคิดเป็นงานก็คือเป็นงานส่วนในความคิดที่มันลักคิดขึ้นมาเน้นมันเชื่อไม่ได้ความคิดที่ตั้งใจคิดเนี่ยคิดด้วยสติปัญญาเนี่ย มันเปนคิดที่เป็นกุศล น, นั่นไงแหละคิดจะเกื้อกูลคิดจะแก้ไขทำให้มันดีพัฒนาขึ้นอันนี้เป็นความที่เราตั้งใจคิดคนทุกคนก็คิดอย่างนั้นแหละอยากให้มันดีอยากจะช่วยเหลือเขาเมตตาเขาทุกคนคิดอย่างนี้ได้นั่นก็นเรื่องของความคิดทำได้ไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คิดได้มันก็เป็นกุศลในจิตแล้วนะไอ้ส่วนการกระทำนั่นเป็นส่วนที่ตามมาทีหลัง เราฝึกตั้งใจทํางานเนี่ยมันจะเกิดสติและมันก็จะเกิดสมาธิจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ในตัวมันเองเห็นไหมถ้าตั้งใจทํางานปั๊บเนี่ยมันจะตั้งอยู่นานเลยนะตั้งอยู่นานเลยเดี๋ยวมันก็หลงไปแล้วก็ตั้งใหม่แล้วอยู่นานมันก็จะเห็นส่วนที่จิตมันแสดงอาการที่เป็นจุดอ่อนมาคือความคิดก็เป็นตัวปัญญาเห็นไหมเป็นศีลสมาธิปัญญาในตัวเสร็จเลยคือรู้ทันจิต ว่ามันมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือเห็นเห็นเป็นวิปั ส, สนาปัญญาได้อันนี้มันอาจจะเป็นผลไกลไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่เริ่มต้นในการตั้งใจทำการตั้งใจทำงานเนี่ยมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิอยู่ตัวเสร็จเลยเป็นขบวนการของกุศลจิตทางนั้นเลยเห็นไหมเราสามารถสั่งสมบุญได้ในขณะที่ทางานเลยนะ งานก็ได้บุญก็ได้เงินก็ได้ได้ไม่แต่ได้ก็ไม่มีเสียนะไม่แต่ได้อันนี้คือการปฏิบัติในชีวิตประจาวันส่วนจะทำได้แค่ไหนนั้นมันเป็นเรื่องอีกแบบทึงไม่เป็นไรแต่ไดล้ลองเริ่มต้นดูก่อนลองเริ่มต้นทำดูก่อนล้วจะรู้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางจิตมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตขึ้นมา รับรองได้ถ้าใครทำแบบนี้นะตั้งใจทำงานอย่างมีสตินะไม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตอย่างน้อยเราจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นนะแล้วก็ไอ้ความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยมันจะลดลงไปโดยโดยธรรมชาติเลยพอสุขมาทุกข์มันก็ค่อยจางคลายไปทุกข์ลดลงเห็นัห บางทีร่างกายอาจจะเกิดอาจจะแก่เจ็บตายต่างๆเนี่ยแต่ใจมันไม่ทุกนะเพราะมันรู้แล้วว่าอ๋อมันร่างกายเนี่ยมันเรื่องธรรมดาการงานอาจจะไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรไม่ทุกงานจะล้มเหลวแต่ใจเราไม่ทุกเรียกใจไม่ล้มเหลวถ้าใจไม่ล้มเหลวเนี่ยไอเรื่องงานเนี่ยเราสามารถทําใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้แต่ถ้าใจล้มเหลวเนี่ยมันไม่คิดทํางานใหม่หรอกนะ มันไม่คิดทำอะไรใหม่แล้วมันท้อแท้หมดกำลังใจไปเลยอันนี้ล้มละลายไปเลยไม่ล้มเหลวล้มละลายไปเลยเนาะไอเนี้ยมันใช้กับการทำงานนิพยมวันได้ทั้งนั้นเลยนะผมก็ทำแบบนี้ล่ะบางอย่างผมพูดรรทรามาแปบางทีคนไม่ค่อยตั้งใจฟังบางทีคนหลับก็ไม่เป็นไรนะการฟังขนาด จ, จะล้มเหลวแต่ผมพูดนี่ผมไม่ล้มเหลวนะ การพูดไ <g arden> ม่ล้มเหลวก็พูดได้เรื่อยคนจะมามากน้อยไม่เป็นไรนะเนี่ยวันนี้บอกจะมา4ี่สิบคนโอ้นี่มาเยอะล้นหลามน้อยกว่าสี่ิบนะผมก็ไม่ล้มเหลวก็ทำหน้าที่พูดอย่างสบายมีความจุดมีเสียงแบ็ k กราวน์คลอ ด, ด้วยเสียงดนตรีแล้วก็ชอบนะเออมันท้าทายดิแล้วมันสนุกกับการทำในสิ่งที่เราที่มันไม่สมบูรณ์ <g arden> อยู่ในความไม่สมบูรณ์ โดยใจที่เป็นสมบูรณ์เป็นปกติอันเนี้ยมันเป็นงานท้าทายกับการใช้ชีวิตไม่มีชีวิตใครสมบูรณ์หรอกแต่ใจมันสามารถทำให้สมบูรณ์ให้มันเต็มได้เนี่ยเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตได้จะน้อยเกิดความเชื่อมัน่นใจมันหนักแน่นขึ้นเมื่อก่อนเคยทำอะไรแบบหลงลืมสติทีนี้มันเริ่มมีสติมากขึ้นมีความหนักแน่น รู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลและมันจะมีความเปลี่ยนถ้าทำงานมันก็จะขยันทำงานและเป็นงานที่สุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมด้วยเกิดความมั่นใจคราวาสก็สามารถทำได้เรื่องแบบนี้ไม่จะเป็นต้องคนที่ปฏิบัติธรรมในวัดหรือใบบวชหรอกแค่ความทุกข์ลดน้อยลงความสุขมากขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเป็นอริยะก็ได้ ไม่ต้องเป็นก็ได้แค่ทุกข์ลดลงเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องเป็นอริยะ ก, ก็ได้ <c oughs> เนี่ยอันนี้เป็นชื่อเป็นสมมุติแต่จิตใจเราเป็นอย่างนั้นเรื่องแบบนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองธรรมะในบทพระธรรมคุณมีอยู่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าอะไรธรรมะเป็นสถิติโกคู่ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ตนเอง เป็นปัจจตังรู้ได้จฉพาอตนใครจะมายกให้เราเป็นอริยะไม่ได้ใครจะมาแต่งตั้งเราก็ไม่ได้เราไปแต่งตั้งใครก็ไม่ได้ให้ธรรมะเป็นผู้ที่แต่งตั้ง <c oughs> ธรรมะแต่งตั้ง เ, เดี๋ยวนี้มีคนแต่งตั้งอริยะกันมากมายตั้งตนูตรงนี้แล้วก็เป็นไม่ได้ไหมเพราะไม่ได้รับอนุมัตจากพระธรรม มันก็เป็นอริยะไม่ได้ต้องรู้ได้เฉพาะตนคนที่เป็นพระอริยะได้นั้นจะ ต, ต้องสำคัญก็คือต้องรู้จักเรียนรู้ตัวเองและรู้จักตัวเองเราสามารถเป็นอริยะได้คนที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง mm. บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เป็นฆราวาสก็สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นอริยะได้ เพียงแค่เรารู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริงกนแล้วกันรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของจิตตามความเป็นจริงเราก็สามารถเป็นอริยะได้หรือเป็นผู้บรรลุ ธ, ธรรมได้เห็นไหมในสมัยพุทธกาลเนี่ยคารวะบรรลุ ธ, ธรรมเยอะแยะไปไปอ่านดูในประวัติก็ได้แต่เดี๋ยวนี้นี่เรายังมองไม่ออกหรอกไม่มีใครสามารถแต่งตั้งใครได้ เราจะแต่งตั้งใครรับรองใครนั้นเราต้องมีจิตใจที่เสมอเขาหรือสูงกว่าเขาถึงจะรู้จักเขาได้เต็มที่ถ้าเราไปคาดหวังเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ให้ธรรมะเป็นผู้แต่งตั้งฆราวาสก็ทําได้นะสามารถจะเป็นอริยได้แล้วก็บรรลุธรมได้ด้วยโดยสายการปฏิบัติแบบภาวนาเนี่ยแบบเจิตสติในชีวประจําวั น, นขณะทํางาน ถ้าเราทําถูกต้องนะแล้วก็ทําได้มากเพียงพอแล้วก็มันเป็นเองคืออย่างน้อยเราไม่ทุกข์เรามีความสุขมากขึ้นจะเป็นอริยคต์ขนไหนยังไม่สําคัญเท่ากับเราไม่ทุกข์กันแล้วกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยตอนนี้นะมีงานที่เราทําอยู่สองงานงานภายนอกกับงานภายในงานภายนอกคืองานที่เราทําเป็นอาชีพ อันนั้นต้องทํางานภายในคือการทําบุญ <c oughs> ทําบุญคือการฝึกสติอยู่กับแดนงานของเราเนี่ยทำงานภายนอกทํางานภายในงานภายนอกได้ปัดยายมาเรี้ยงดูในการบูรงชีวิตงานภายในได้ความไม่ทุกข์เป็นรางวัลสองอย่างต้องไปด้วยกันเรียกโลกไม่ช้าทําไม่เสียโดยเพราะเรื่องการใช้สติ ในขณะทางานเขาเรียกเป็นบุญที่เกิดจากการภาวนาเป็นบุญสูงสุดยอดบุญเหนือทุกเลยตรงนี้แหละนะคนที่ทำหน้าที่เป็นวนหนนาก็ต้องมีลูกน้องเราต้องรู้จักว่าคำพูดคำจางต่านี่มันมีประโยชน์มากมันนึงดูดหัวใจลูกน้องได้แล้วคนใกล้ตัวได้นะ อบอ้อมอารีวัจีหวานลน้นช่วยเหลือผู้คนวางตนพอประมาณนี่เป็นเสน่ห์สำหรับคนที่เป็นหัวหน้าอบอ้อมอาลีคือถามถ่ายเป็นยังไงสบายดีไหมเนี่ยเห็นไม่มอบอ้อมอารีพูดจาไพเราะใช้คาพูดที่ไพเราะสักหน่อยมันก็ทําให้มีเสน่ห์ในวาจาของเราแล้วก็ช่วยเหลือมีโอกาสช่วยเหลือเขาเนีตามสมควรแก่ ฐานะของเราช่วยเหลือเขาบ้างบางคนเขาก็ต้องการความช่วยเหลือรู้จักวางตนอย่าวางตนห่างกันเกินไปวางสูงเกินไปวางต่ำเกินไปมันไม่พอดีมันก็เลยจูนจูนคลื่นเดียวกันไม่ได้อันนี้เป็นสเสน่ห์ของผู้บริหารและผู้ที่ทำงานด้วยกันลูกน้องลูกน้องเห็นหมลูกลูกของน้องเนี่ย ลูกน้องมาจะลูกของน้องขนาดน้องเราเรายังรักเลยและลูกของน้องเราเป็นหลานเราจะไม่รักได้ยังไงก็มองงันซะจะได้เอ็นดูเขอ๋อลูกน้องเราน่าเอ็นดูเจ้านายเจ้านายก็อ๋อยืนเหนือเจ้านายยกดับอ๋อเจ้านายเจ้านายเมียมันอย่างรถนะเจ้านายรถมันอยู่หน้ารถเรามันคนในรถเจ้านายเจอปัญหาข้างหน้าชนก่อนเจ้านายชนก่อนเราลูกน้องเข้าใจอย่างนั้นคือทุกคนจะต้อง เข้าใจกันลูกน้องเออเราก็ต้องดูแลเจ้านายเราก็ต้องเคารพก็ธรรมดาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหาอะไรอย่าเอางานเป็นหลักจนเกินไปเอาใจเป็นหลักดีกว่าเอาความเป็นมนุษย์เอาจิตใจที่เป็นมนุษย์มีความเมตตาเป็นหลักดีกว่าและเรื่องของงานเนี่ยมันตามมาทีหลังจะบอกแล้วว่าถ้างานไม่สําเร็จแต่ใจ ใจเนี่มันไม่ทุกก็ใช้ได้แล้วก็แก้ปัญหาทําเอาใหม่ทําเอาใหม่ไม่มีงานไหนสําเร็จได้ทุกงานหรอกแล้วลงานไม่มีการเสร็จมันเสร็จทุกวันถ้าเราพอใจในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เอาใหม่ก็เสร็จได้ทุกวันในะงานที่จริงมันก็ได้มากกว่า น, นี้นะที่จริงลูกน้องของเราเนี่ยมันไม่ใช่ใครแล้วคือใจเรานั่นแหละดูแลเขาให้ดียายเขารักยายเขาโกรธยายเขาหลงใจเรานะ่ะคือลูกน้องเรา <c oughs> เพื่อลม ง, งานเราคือใจเรานั่นแหละดูแลมันดูแลใจเราให้ดีอย่าให้มันพิกรด อ, อย่าให้มันเป็นโลคอย่าให้มันเป็นหลงเนี่ยอันเนี้ยลูกน้องเราเพื่อรวมงานเราคือใจนั่นแหละและคนรอบข้างเนี่ยถ้าดูแลใจเราดีแล้วเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยก็จะดีไปด้วยจะมองสิ่งที่ไม่สมบูรณ์กลายสิ่งที่สมบูรณ์ไม่รู้ว่า จะเข้าใจเรื่องขจัดจุดอ่อนของจิตพิชิตงานได้บา้างหรือยังเนยไอ้เรื่องนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะคนตั้งหัวข้อตั้งมาเถอะผมก็พูดเรื่องเดียวที่ผมจะพูดโอ้ก็แปลกกันไหนผมก็พูดเรื่องนี้แหละก็เรื่องอยวกจิตกับใจนะมันถูกต้องเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันมากมากอันนั้นคือคำพูดเป็นทฤษฎีฟังไปเดี๋ยวก็ลืมแหละ แต่ผมเชื่อนะนี่ว่าเนี่ยตั้งใจฟังมากกว่าเสียงนอกอันเนี้ยใช้ได้แล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกกั ล, ลยาณนะปูถุชนปูชนชั้นดีในชะ่นหเนี่ยยกระดับไปเลยนะเนี่ยมีโอกาสเป็นอริยชนได้ในอนาคตต่อไปถ้ายังฝึกตติอยู่นะเนี่ยใช้ได้ยังไงฟังนี่จะได้เนี่ยไม่เสียแรงที่ได้มาเนาะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยสนุกดีตั้มไปมันท้าทายดิแล้วเห็นมีใครหลับตะโกน นี่เราทฤษฎีแล้วลองขอปฏิบัติหน่อยได้ไหมขอไปฏิบัติสักหน่อยสักระยะหนึ่งไงเราจะขจัดเราจะจับจุดออกของจิตเนี่ยมันต้องฝึกสติให้มากๆอั น, นเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดเนี่ยเป็นฝึกสติแบบนอกรูปแบบกับ ก, บการทํางานอันนี้จะให้ฝึกในรูปแบบสักหน่อยในรูปแบบที่มันฝึกแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เราตื่นดีทําให้จิตเราตื่น อยากให้ฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว <Yeah. S 1> ถ้านั่งหลับตาเนี่ยโอ้เสร็จเลยเดี๋ยวมันหลับในแล้วก็พลอยสบายเลยเราไม่ก็ชอบบ่ายๆเนี่ยมันนั่งหลับตาเราต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวปลุกจิตให้มันตื่นให้มันตื่นตื่นทําไมไม่ได้ตื่นตุน่ตื่นมารู้ว่าออใจเราเป็นอย่างไรให้จิตมันตื่นมารู้ว่าจิตมันเป็นอย่างไรให้เกิดปัญญาเอาฝึกซะหน่อย เดี๋ยวขอญาติทําก่อนนะอันนี้คุณวิชัยเดี๋ยวมาคุณวิชัยเนี่เป็นนักธุรกิจนะเนีย่ยวันนี้เขาเขาเคย จ, จับจับจุดอ่อนของจิตตัวเองได้เนี่ยเดี๋ยวจให้ให้เขาบอกเทคนิคนิดหน่อยวันนี้มาฝึกสติแบบเคลื่อนไหวที่ว่าตามแนวหลวง่าเทียนนะอันนี้คือแบบเคลื่อนไหวอันนี้คือแบบฝึกไม่ใช่ มันไม่ใช่ของจริงเป็นแบบฝึกจะฝึกให้จิตมันมีกำลังแล้วฝึกอย่างนี้เรารับรองไม่หลับ <c oughs> ซึ่งบางทีผมทำคนเดียวเนี่ยมันมันไม่สะดวกเพราะว่าผมมีไมโครโฟนผมจะมะีผู้ช่วยคุณวิจัยมาช่วยมาช่วยมาทำบุญด้วยกันเนี่ยน่าฟังใหเฉยไม่พอต้องมันเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย <c oughs> ให้ฝึกสติแบบเคลื่อนไหวไม่ต้องหลับตา ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องบริกรรมอะไรขอแค่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ไหนะลองเอามือวางวางสองเก้าอ่ะขอขอญาตนะไปปฏิบัติหน่อย <c oughs> มันจะถนัดไหยเนี่ ย, ยมีโต๊ะบังไหมถอยหลังห่างโต๊ะหน่อยนะอะนอันนี้เป็นตัวอย่างนะผมจะเป็นคนบอกฮง เพเองทําไม่ถนัดแล้วพอมีไมโครโฟนอยู่แล้วผมทําไม่ค่อยปกติเ้รามือเนี่ยมันงอแบบเนี้สักสองข้างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเหยียดเอ่อบางคนปกติได้แล้วดูมันจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามจิตอาจจะไม่ค่อยตื่นเมืางคนที่มือเหยียดก็ได้ <c oughs> เนี่ยจิตงอจิตมันจะหลับถ้ามือเหยียดจิตตื่นนะลองดูนะอ่าใช่มีการเคลื่อนไหวและมิสติรู้การเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะ ใหม่ๆจะอะดูยากหน่อยของยากมันท้าทายดิถ้าทำได้แล้วมันก็ภูมิใจนะเอามือวางสองข้างไม่ต้องหลับตาทำใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรพลิกมือขวาในท่าตะแคงรู้ไหมว่าทำอะไรเมื่อกี้นี้ <laughs> ยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวดูตัวอย่างนะรู้ไหมว่ายกมาแล้ว ิีสติแล้วเอามือขวามาไว้ที่สะดือรู้นะพลิกมือซ้ายท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งหนึ่งรู้นะว่าทำอะไรอยู่เอามือซ้ายมาท่บไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอก เอามือขวาไว้ออกมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงยังรู้อยู่หรือเปล่า <c oughs> คว่มมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงตะแคงอยู่นะ ยังรู้ไหมคว่มมือซ้ายลงอันนี้คือหนึ่งหนึ่งครั้งส4บสจังหวะมันจ ะ, ะดูยากเพราะเรายังไม่เคยทำลองใหม่อีกทีนะพลิกมือขวาในท่าตะแคงรู้อยู่เอามือขวาขึ้นมาครึ่งตัวแล้วก็มือขวามาวิธีสะดือ พลิกมือซ้ายตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาเอามือซ้ายท่าไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นไปที่หนอกเอามือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาท่าตะแคงคว่ำ ม, มือขวาลง เลื่อนมือซ้ายที่หน้าอกเอามือซ้ายมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาท่าตะแคงคว่มมือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงรู้อยู่ยกมือขวาขึ้นมารู้นะเอามือขวามาไว้ที่สะดือ พลิกมือซ้ายตะแคงรู้นะเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาด้านข้างแล้วเอามือซ้ายมาไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวามที่หน้าอกเอามือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขายท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอก มือซ้ายมายด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาท่าตะแคงคว่มมือซ้ายลงมันยากไหมเนี่ยไม่เห็นยากเลยก็ทำได้ทุกคนดูสิว่าจิตเราเนี่ยอยู่ที่หน้ที่ตัวมากกว่าหรือจิตเราที่ออกไปข้างนอกมากกว่ารู้นะ ไม่ต้องบอกและรู้นะว่าเราจิตอยู่ที่ตัวเรามากหรือจิตที่ไปคิดมากมรู้ไห ม, มในาใครรู้มากยกมืออในายใครคิดมากยกมือโอ้มีสติทั้งคู่แหละทําไมจึงรู้ว่ารู้มากเพราะมีสติมันรู้ทําไมรู้ว่าคิดมากเพราะสติมันรู้แต่ว่ามีสติแล้วเอาลองทําดูนะคราวนี้ผมไม่ได้พากและ ไม่ต้องบอกน ะ, อะลองทําดิ้พลิกมือขวาลองเลยดูตัวอย่างนี่นั่ตัวอย่างผิดไม่เป็นไรนะผิดไม่เป็นไรอลองใช้ไม่ได้เริ่มต้นทําใหม่เลยเอามือวางแล้วทําใหม่ได้เลยใครทํา ไ, ได้ทําไปไเรื่อยๆมันมีการเคลื่อนมีการหยุด มีการเคลื่อนมีการหยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเป็นจังหวะจังหวะเคลื่อนแล้วก็หยุดเป็นจังหวะจังหวะให้รู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวรู้มันลืมไปก็กลับมารู้ใหม่ ทำผิดไม่เป็นไรแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่ให้เคลื่อนให้หยุดเป็นจังหวะเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเป็นจังหวะแล้วก็รู้เป็นขณะขณะรู้ตอนที่มันหยุดก็ได้หยุดแล้วก็รู้ ทำสบายๆทำสบายๆยไม่ต้องไปเพ่งนะผิดก็ไม่เป็นไรหรอกทำสบายๆผิดก็รู้แล้วเรามีสติแล้วเอาละขอบคุณมาก เ, าเวลาทําเนี่ยนะมีส่วนมาก เก้าสิบเปรเซ็นนะทำได้พอมีความตั้งใจทาการตั้งใจทำเนี่ยการตั้งใจทํแล้วก็ตั้งใจฝึกสติก็เป็นจิตที่เป็นกุศลอยู่แล้วตั้งใจทําที่อพลิกไปแล้วก็รู้เคลื่อนหยุด เ, ยเคลื่อนหยุดทําเป็นยังวะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนมาแล้วก็หยุดอีตอนหยุดเนี่ยเรา่อรู้ หยุดแล้วก็รู้พลิกมือเคลื่อนหยุดรู้รู้รู้คาว่ารู้คือรู้ว่ารู้สึกกันเนี่ยเรากำลังทําเงี้ยรู้สึกรู้สึกเนี่ยแล้วต่อไปเมื่อรู้ไบ่อยเขาเนี่เวลาเคลื่อนเราก็จะรู้ด้วยเราจะรู้ทั้งตอนเคลื่อนรู้ทั้งตอนหยุดสติจะเริ่มละเอียดเอียดขึ้นไอ้ที่เราทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปคิด พอคิดปั๊บเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นทําใหม่มันจะมีความคิดที่มันแอบแฝงอยู่เรื่อยแหละบางคนก็คิดอะไรมากบางคนก็ไม่ค่อยคิดบางคนตั้งใจทําไอ้ความตั้งใจเนี่ยมันจะเป็นการคุมกําเนิดความคิดต่างๆเลยถ้าเราทําแบบไม่ตั้งใจเนี่ยทำเรื่อยๆเนี่ยมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไปเพราะนั้นมันจะไอ้ที่เราทําไม่ได้เพราะมันถูกความคิดพาไปถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยครั้งเดียวเราก็ทําได้ละ เพราะเรมีความคิดน้อยลงน้อยลงถ้านอนไม่หลับลุกขึมานั่งยกมือเล่นถ้าเวลาโกรธมากก็มานั่งยกมือเล่นเเวลาทําอะไรนึกอะไรไม่ออกก็ลองยกมือเล่นเน่ยยกมือเพื่ออะไรเพื่อเรียกสติกลับคืนมาให้มันกลับคืนมากลับคืนมาจากความโกรธกลับคืนมาจากความคิดกลับคืนมาจากความฟุ้งซ่านต่างๆ เรียกกลับมา ร, รู้ตัวรู้ตัวเนี่ยมันคืนกลับมากลับมาบ้านเอาจิตกลับมาบ้านเราบ้านเราคือกายที่มันเคลื่อนไหวเอากายเคลื่อนไหวเป็นบ้านเอาจิตเข้าไปอาศัยรู้อาศัยรู้จิตก็จะปลอดภัยแล้วต่อไปพา ร, รู้บ่อยครับมันจะเห็นความคิดที่มันหลอกลวงเรามากมายที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเมื่อกี้เราตั้งใจทําอะไรตั้งใจฝึกสติในการเคลื่อนไหวใช่ไหม มันมีความคิดที่เราไม่ตั้งจะคิดเยอะไหมมากมายเลยกลัวมันจะผิดถูกไหมเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่มันคิดเราอย่าไปเชื่อมันเราทําเราอย่างนี้เรื่อยๆทําไปเราอย่าไปสนใจความคิดอย่าไปห้ามมันอย่าไปตามมันแต่เรามารู้เราตรงนี้ปั๊บเห็นมหมเขาเรียกชีวิตเป็นแค่หนึ่งเดียวคือรู้ถ้าเราไปรู้มั่งคิดมั่งไปจิตมันก็ถูกแบ่ง กำลังมันจะหายไปครึ่งเราตั้งใจทำในส่วนที่เราต้องทำจิตมันจะรวมพลังอยู่ตรงนี้คือมีทั้งสติมีทั้งสมาธิเมื่อเรามาตั้งใจรู้ตัวเราบ่อยๆเพราะเนี่ยมันจะรู้ความจริงของตัวเราเลยมันจะจับไอ้ความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดได้โดยที่เราไม่ได้ทําอะไรมาเลยยิ่งไปห้ามมันน่ยมันยิ่งจับไม่ได้ถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านมาให้เราเห็นนะ เนี่ยฝึกให้สติเกิดขึ้นในจิตมันมีพลังให้เก้มแข่งมันจะได้เห็นอารมณ์รักโลภโกรธหลงในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอันนี้ทาได้ไหมทาได้ไหมใครบอกไม่ได้ <c oughs> ก็ทําม่ต้องเยอะนานแล้ว <c oughs> นี่ยลองกลับไปนะลองฝึกดูอันนี้ฝึกเขาเรียกรูปแบบอยู่ที่บ้านเราไม่มีมบังว่าแล้วก็นั่งยกมือเล่นลองดู ผิดไม่เป็นไรผิดก็รู้ว่าผิดก็มีสติแลลวคนเราไม่เคยทำผิดเลยเหลือในชีวิตนี้ผิดแล้วก็รู้ว่าผิดก็ใช่น้าก็เริ่มต้นใหม่ก็เรียกผิดแล้วก็แก้ไขใหม่ผิดแล้วก็แก้ไขใหม่ ล, หมลองไปฝึกดูแล้วเราจะจับจิตเราได้ว่าอ๋อจุดอ่อนของตัวเราเป็นอย่างนี้เองคนทุกคนมีจุดอ่อนจิตของจิตทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนทั้งนั้นเราอย่าไปเชื่อมัน เราสามารถรู้ทันจุดอ่อนเวลาเกิดอารมณ์นี่ปั๊บเนี่ยไอ้นี่มาอีกแล้วมาหลอกลวงเราเป็นให้เราทุกข์อีกแล้วต่อไปเราก็จะไม่เชื่อและจิตมีพลังอยู่เหนืออารมณ์อย่างคุณวิชัยเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่เขาเขามีปัญหาเรื่องความคิดมากอ่ะคิดเยอะแต่เขาสามารถจัดการความคิดได้เป็นระบบได้ขะเขาบอกเขาตีกรอบเนี่ยโอ้หคิดมากมายคิดมากมายใจไม่อยู่กับการตีกรอบอยู่ความคิด แต่เราก็ไม่ห้ามความคิดไม่ทิ้งความคิดไม่ว่าอะไรเราก็ตั้งใจตีกอลโอเห็นความคิดที่มันหลอกลวงนะหรืออยากให้คุณวิทย์แบ่งแบ่งปันทั้งหน่อยเนาะนทีอาจจะเป็นประโยชน์กับเราของคนทำงานครับขอบคุณมากครับเขาวันนีเ้เป็นเกียรตินะฮะเป็นครั้งแรกที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์พร้อมกับท่านอาจารย์กำพลหลังจากปฏิบัติธรรมมาประมาณปีครึ่ง ครับผมเท่าความนิดหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์กำพลได้พูดตลอดเวลาเกือบ45นาทีนี่นะอาจจะยังไม่เข้าใจเหมือนกับผมที่ครั้งแรกที่ฟังทังพูดนะฮะจริงๆทั้งหมดนี่คือใช่เลยนะครับผมเท่าความนิดหนึ่งนะฮะจริงๆเนี่ยผมทำธุรกิจมาหลายอย่างแลวผมเป็นคนหนึ่งที่คงจะเหมือนท่านหลายๆท่านที่มีความคิดสับสนมากนะฮะ ความคิดเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงเหมือนผมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอยากจะห้ามพี่ทำไมต้องคิดเรื่องนี้ทําไมต้องเราห้ามมันไม่ได้นะครับก็อย่างที่พระริจเจ้าบอกนะฮะมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่ไปห้ามมันได้ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งไหนแต่หลายราองทำธุรกิจที่ให้ทุกท่านทราบเลยว่าผมเองเนี่ยนะฮะพบจิตแพทย์มาหลายคนแต่และคนนี่เป็นชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นของประเทศผ่านชีวิต เกือบที่จะฆ่าตัวตายมาแล้วถึงสองครั้งและแต่ละครั้งนี่ผมประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเชื่อไหมครับไม่ใช่ประสบความล้มเหลวในชีวิตเลยแต่ผมล้มเหลวอย่างหนึ่งก็คือล้มเหลวทางด้านจิตใจที่ผมไม่สามารถห้ามความคิดได้ตัวตนในตนต น, ตนในร่างกายแนวเรียนไม่สามารถห้ามได้ผมถึงบอกวันนี้ที่เมื่อกี้สักครู่ผมได้มาเนี่ยผมชอบหัวข้อเรื่องขจัดจุดอ่อนของจิตพิชิตงานตรงนี้ผมคิดว่า ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของกลรลยอย่างที่ท่านอาจารย์กัมพลพูดนะนะฮะเราจะสามารถชนะได้ทุกอย่างเลยหลายท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าชนะอะไรไม่เท่ากับชนะจิตใจตัวเราเองถ้าเราไม่สามารถชนะจิตใจตัวเราเองได้เนะครับเราไม่สามารถชนะอะไรได้ทุกทุกอย่างเลยกิเลสมันพาไปครับถ้าศึกษาดีๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะฮะพระเจ้านี่ท่านหแหลมคมมากที่ท่านให การเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยก็คือการเจริญสติภาวนาตรงนี้เนะี่ยถ้าสามารถทําได้นะครับเชื่อไหมครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเราทําได้หมดแล้วก็ปัญญาที่เหนืออื่นใดก็คือปัญญาของภาวนา ป, ญญาปัญญััญญันะครับก็คือปัญญาด้วยการภาวนาการภาวนาก็คือการเจริญสตินะครับผมปฏิบัติกับตัวผมเองวันนี้ผมเชื่อผมถึงทองแท้ว่าในอดีตผมไม่เคยบวชเรียนนะครับผมไม่เคยบวชเรียนมาก่อนในอดีตประวัติศาสตร์อะไรกัในใเรื่องสือเรื่องเกี่ยวกับพุทธธรรมเราก็ไม่เคยอ่าน แต่ผมถึงบอกพระเจ้าวในท่านสุดยอดมากนะครับที่ท่านทิ้งวิชาให้กับคนรุ่นหลังไว้ได้คับหลังกบทํางานผมเนี่ยเตยม็มด้วยหนังสือธรรมะเตม็มไปด้วยหนังสือทั้งนในจิตวิญญาณทั้งอะไรต่อแล้แต่ผมอ่านเยอะนะครับแต่ผมทําอะไรไม่ได้เลยกิดอยู่ใจตัวผมเองดาบเท่าที่ผมได้มาปฏิบัติ ด, ด้วยตัวผมเองผมเกือบจะเป็นชีวิตของผมเองครั้งที่สองก่อนที่จะมาเชิญเชิญท่านอานจารย์กำพล เชื่อไหมครับผมมาเจอท่านอาจารย์กับผมครั้งแรกผมอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจผมกับท่านผมขอเป็นร่างกายแบบท่านเพราะท่านยิ้มยิ้มแจ่มใสท่านควบคุมจิตของท่านได้ทุกอย่างเลยผมก็เอเจอท่านวันแรกนี้ผมผมประทับใจมากผมอยากจะขอผ ม, ผมขอเป็นอาจารย์ได้ไหมรายละแอีจิตใจกันเพราะตอนนั้นผมควบคุมจิตใจผมไม่ได้เลยผมประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตไม่ใช่ไม่ประสบแต่ผมไม่สามารถที่จะบังคับ ใจที่จะพาให้เราจะต้องทํานูน่นทํานี่อยู่นั่นตลอดเวลาหรืคือเาพาไปไนดะ้นี่คือความร้ายกัดของกิเลสอย่างเงี้ยที่พาคนไปตายได้หลังจากนั้นผมไปตั้งต้นละนะฮะว่าเอาละเราจะต้องชนะใจตัวเราเองให้ได้เผอเอิญอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของท่านก็คือเป็นหนังสือประคิดก็มีโชว์อยู่เป็นแพทย์ทางรอดนะครับในนั้นจะเขียนถึงแขกหน้าดำหยุดคนหนึ่ง ก็เพราะจิตใจเราเนี่ยไปต้อนรับแขกหน้าดําอยู่ตลอดเวลานะฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องคอยยุ่งเกี่ยวกับจิตใจตัวเราเองของตรงนี้อยู่เลยผมก็เลยดูด้านหลังของหนังสือเนี่ยจะมีการปฏิบัติ เ, เจริญสติแนวทางเคลื่อนไหวตามหลวงพ่อเทียนก็คือเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะอย่างที่สักครู่ที่ท่านได้ทําตรงนั้นนะฮะจริงๆเนี่ยการทําการเคลื่อนไหวไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยไม่ได้มีไนยะอะไรเลยนะฮะเราจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิจังหวะก็ได้ แต่เพียงแต่ให้เรารู้ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นใจคิดนึกตรงนี้ครับคือหัวใจก็คือการที่เราเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยนะฮะเรารู้กายเคลื่อนไหวแล้วเดี๋ยวพอเราไปจับอยู่ที่กายเคลื่อนไหวปุ๊บจิตมันมีความคิดลักคิดก็คือมีจิตที่อะไรคิดเข้ามาแต่เราจะเห็นความคิดในตัวเราเองโผล่ออกมาอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แหละครับคือการฝึกการเจริญสติแบบเบื้องต้นแล้วต่อไปถ้าเราสามารถมีความชํนานาญแล้วเนี่ยนะฮะ เราทําอะไรก็แล้วแต่ระหว่างที่เรานั่งทํางานอยู่มีความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่ปรุงแต่งและคิดเข้ามาปุ๊บเราจะจับจุดนั้นได้ทันทีเลยเหมือนกับเรามียามคอยเฝ้าระวังความคิดหลายต่อหลายอย่างในตัวเราเองแล้วผมปฏิบัติมาตอนนี้เนี่ยนะฮะประมาณปีครึ่งได้แล้วครับผมปฏิบัติผมปฏิบัติตทุกคืนนะฮะหรือแม้แต่ยามที่ผมทํางานอยู่ผมเคลื่อนไหวผมก็ลุกเห็นกายเคลื่อนไหว จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่ไม่มีตัวเราเองตั้งแต่ทีแรกถ้าศึกษาลึกๆจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการปรุงแต่งของขันห้าทั้งนั้นถ้าศึกษาดูดีๆผมจริงๆก็ไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรนะฮะหลังจากที่ผมปฏิบัติอย่างที่บอกพอเราปฏิบัติไป9้หนึ่งปุ๊บเรารู้ว่าเออมันใช่แล้วก็ศึกษาพอศึกษาไปก้าไปมันก็ใช่ทําให้เรารู้ลึกขึ้นลึกขึ้นทุกวันนี้ผมก็ยังเดินทางอยู่นะฮะก็อย่างที่อาจารย์กับผมก็ยังเดินทางอยู่จะไปถึงตรงไหนก็สุดแล้วแต่เราไม่่่่่ตัั้้้งงงงคววววาาาามหรููอยอยยเดีววีนออนืแาทาทถก ในการที่เราจะสามารถชนะจิตใจตัวเราเองได้เนี่ยมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นเองก็คือการเจริญสติท่านอ่านเยอะท่านฟังเยอะไม่มีความหมายครับข้อหมายอยู่จุดหนึ่งก็เราต้องปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเราเองที่แน่นอนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณธรรมะผมเยอะมากผมอ่านเยอะมากแต่ไม่มีประโยชน์นะเหมือนกับท่านอ่านหนังสือวิธีว่ายน้ำว่ายน้ำยังไงเนี่ยถ้าไม่ลงปฏิบัติแล้วจะไม่มีทางว่ายน้ําได้เลยนะครับการที่ท่านจันทร์กับพลให้เรามาเคลื่อนไหวเนี่ย ก็เป็นแนวทางหนึ่งให้เราจับอยู่กับมีสติแล้วก็อยู่กับร่างกายของเราหลังจากนั้นพอมีหนึ่งความคิดต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะรู้แล้วเราก็อ้อความคิดนี้เราไม่ได้เป็นผู้คิดนะมันเป็นการทํางานของขันห้าเป็นการทำงานของจิตใจที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เลยผมเคยคิดนะครับเวลาช่วงที่ผมงานเยอะๆผมเจอปัญหาประสาทมากในชีวิต ผมคิดไอ้ทายังไงผมกลับบ้านเนี่ยผมอยู่กับลูกกับภรรยาได้เนี่ยโดยที่ผมไม่เอาความคิดต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยผมเชื่อว่าหลายท่านคงคิดแบบนี้แต่ผมห้ามไม่ได้ระหว่างที่ผมกําลังมีความสุขอยู่กับลูกผมก็จะมีเรื่องปัญหาต่างๆที่มาลุมเล้าที่อดไม่ได้ที่จะเอาบวัญหาจากที่ออฟฟิศที่โรงงานที่หลายอหลายอย่างเนี่ยเข้ามาสมอยู่ในตัวเรากลายเป็นว่าเราต้องตอนไม่หลับทุกทรมานกับไอ้ความคิดของเราที่วนเวียนมาคิดนี้อยู่ เคยคิดว่าทํำยังไงเราถึงไม่เราจะห้ามตรงนี้ได้แตเชื่อไหมครับความคิดมันห้ามไม่ได้ไม่มีใครห้ามได้ครับมีอยู่ทางนึงก็คือเราต้องรู้เท่าทันมันหลังจากผมปฏิบัติเจริญสติปัญญานแล้วเนี่ยจะเชื่อไหมครับผมรู้เท่าทันเอาละ่ะเวลาเจอปัญหาในชีวิตยังไงก็แล้วแต่เราแบกปัญหาชีวิตของต่างๆเราไปทุกที่เราไม่สามารถห้ามมันได้ แต่เรารู้เท่าทันพอมันมาปุ๊บอ๋อผมรู้ละเราไม่ห้ามแต่เรารู้เท่าทันว่ากํกาลังคิดซักเรื่องหนึ่งผมมีปัญหาสักวันนี้อยสมมตินะฮะวันนี้ผมมีปัญหาการจะทุกข์แต่ผมไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ผมเห็นความทุกข์ในร่างกายผมผมกลับถึงบ้านความทุกข์มันก็ตามผมไม่ตลอดนะนะฮะหรือความคิดอะไรตามมันตลอดแต่ผมสามารถอยู่กับมันได้โดยที่ผมรู้เท่าทันมันต้องไม่ห้ามนะครับ ยิ่งห้ามันยิ่งมายิ่งเรายิ่งผักไล่มันเท่าไหร่มันก็ยิงเข้ามาไข้เราทุกทีนะครับฉะนั้นวิธีขจัดปัญหาในตัวเราเองวิธีไล่ความทุกวิธีไล่จิตใจที่ฟุ้งซ่านก็คือรู้เท่าทันพอเรารู้เท่าทันพวกมันหายไปฉนั้นทุกวันนี้ในการดําเนินชีวิตของผมเนี่ยนะครับเหมือนเดิมครับผมดําเนินชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทําธุรกิจเชื่อไหมครับผมทําธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเหมือนเดิมทุกอย่าง ความคิดไม่น้อยลงกว่าเดิมเหมือนเดิมแต่ผมรู้เท่าทันผมรู้เท่าทันความคิดผมรู้อยู่กับมันได้อ่อโอเคแล้วสิ่งหัวใจของการอยู่มันก็คือความคิดไม่ใช่ตัวเราทำยังไงก็แล้วแต่จุดไคลแม็กของมันก็คือความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เป็นผู้คิดตรงนี้ครับคือบทสรุปของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ผมผมผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันอาจารย์กำพลนี่ให้เกียรติแล้วก็ผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะผมก้าวมาวันนี้ได้อาจารย์กำพลก็เป็นท่านหนึ่งที่มีส่วนมากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมก็จะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้นะฮะกับเพื่อนทุกคนที่ผมเจอนะครับเพราะผมปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วผมถึงรู้ซึ้งแน่แท้แล้วว่าตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ถูกต้อง สติปัญญาที่สูงสุดก็คือการภาวนานะครับแล้วเราจะอยู่ได้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหายัางไงครับสั้นๆ น, นะครับขอบคุณครับเลือจับไมค์เข้ามาแล้วเ <laughs> มื่อกี้ใจขาวใหม่อา้าวขอบคุณคุณวิช่ชายอ่าเนี่ยถามว่าถ้ามีคนอย่างคุณวิจัยเยอะในจิตแพทย์ตกงานนะ <laughs> นี่ก่อนไม่ได้ไปหาจิตแพทย์ต่อไปเลยนะ จิตแพทย์เลยต้องมาหาเขาบอกมาดูว่าหายยังก็ได้เขามาแบ่งปันเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้เจอนักปฏิบัติที่เคยเคยเจอมามานไม่มีบารมีไม่เกิด เ, เสียงดังๆนี่ไม่ใช่มา น, นะเป็นเสียงแต่เป็นการเสริมบารมีกับเราเนะนะคิดว่า การเอาการภาวนาการเจริญสติในชีวิตประจำวันกับการทํางานเนี่ยทาได้ไหมลองทําดูนะลองทํารู้จะรู้ว่าเราก็คนคนหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆสักเดือนเดียวคิดว่าเห็นว่าจิตใจจะเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นเราจะเป็นคนที่ใจเย็นมีความสู่การทํางานต่อไปอาจจะทุกกับใครไม่เป็น <laughs> เอาละ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังด้วยศรัทธาขออนุโมทนานะที่ได้มีโอกาสได้มาพบมาเจอกันมาฟังธรรมะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมาฝากนอกจากจะขอให้อวยพรทุกท่านเนี่ยจงมีความเจริญมีความผาสุกมีสติมีปัญญาจับจุดอ่อนของจิต แล้วก็พิชิตงานได้สำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด